มาถึงวันนี้นะคนซึ่งภาวนานรู้หลักของการภาวนารู้แยกได้สมถาวิปัสสนาเลยนะรู้วิธีทําสมถะรู้วิธีทำํำวิปัสสนามีคนเข้าใจสิ่งเหล่านี้เยอะขึ้นเมื่อก่อนเราคิดถึงการภาวนาเราก็จะนั่งสมาธิอย่างเดียวให้จิตสงบอย่างเดียวนิ่งๆ หวังว่าจิตสงบแล้วจะเกิดปัญญามันไม่มีทางเกิดปัญญาได้เลยเพระการปฏิบัติมันมีสองส่วนส่วนของสมถะกรรมฐานทำไปเพื่อความสุขความสงบความดีส่วนของวิปัฏนากรรมฐานทำไปเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในธาตุในขันธ์วิธีการโครานเป้าหมายโคลาน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 เทียบกับพจนชงเจ็ดก็มีสติพจน์ชงเริ่มจากมีสติสติไปทำอะไรสติไปรู้ความจริงของกายของใจถึงนี้เรียกว่ารรมรรยยาในการรู้ความจริงของกายของใจนั้นต้องมีวิริยะมีปีติมีปัจ ส, สัที่มีสมาธิ<ม>อันนี้เป็นกลุ่มของสมาธิทั้งหมดเลยจิต ท, ที่ส่งสมาธิอยู่มีความเพียรมีปีติ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 ต่อสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาความสุขเกิดขึ้นก็ยินดีจิตก็เกิดความดิ้นรนที่จะรักษาความสุขเอาไว้ความสุขหายไปจิตก็ยินร้ายจิตกเกิดความดิ้นรนที่จะทเที่ยวสแสวงหาความสุขอีกความทุกข์เกิดขึนน้นจิตก็ยินร้ายอยากจะขจัดเกิดความดิ้นรนอยากจะขจัดความทุกข์ไปความทุกข์หายไปแล้วนะ เกิดยินดีเกิดความดิ้นรนทํำยังไงความทุกข์จะไม่เกิดอีกเห็นไหมความยินดียินร้ายนะทําให้จิตมันดิ้นรนขึ้นมาตรงที่จิตมันเกิดความดิ้นรนนั่นแหละจิตมันสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาความดิ้นรนของจิตแล้วก็คือกรรมที่เราพูดถึงคําว่ากรรมกรรมนะอะไรเรียกว่ากรรมก็คือการทํางานของจิตนั่นเองจิตมันทํางานไปนะ